อาจารย์คุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนส่วมทุกนักศึกษาแพทย์ที่เคารบรักทุกท่านรู้สึกยินดีหน้าที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นกัญยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรม สำหรับทุกชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นอาชีพที่ต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องทำก่อนแล้วก็ถ้าหลุดพ้นก่อนได้ยิ่งดีก่อนที่ชีวิตนี้จะจากตัวเราไปผมเองก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารณ์นะไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นเพียงอุปกรณ์ของพระธรรม อุปกรณ์ของพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดธรรมะอย่างเดียวอยู่เฉยๆก็ให้เขาดูอุปกรณ์ที่ได้ดูแล้วก็เอามาอาจจะเป็นการปรองสังเวชชีวิตเราเนี่มันก็มีแค่นี้เองปรองสังเวชในแง่ของการนึกคิดอย่างวันนี้มาสองงานเมื่อเช้านี้ก็ไปทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ของพระธรรมช่วยในหลวง ช่วยพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นอุปกรณ์พระธรรมในเรือนจำที่ทนบุรีพอเสร็จแล้วตอนเที่ยงก็กลับมาพักที่จุรลมแล้วก็ออกจากจุรมมาที่แข่งหนึ่งมาที่จุลาแห่งนี้สองแห่งเนี่ยต่างกันเลยนะ <c oughs> ต่างกันแต่ว่าจำนวนคนนี่ก็พอๆกันที่เรือนจำนั้นมากน่อย เป็นนักโทษที่จะต้องเข้าโปรแกรมการบำบัดทางจิตใจเป็นฝ่ายที่ท่านแง่สมมตินะเป็นส่วนที่เลวที่สุดเ <c oughs> มาาื่อเช้านี้ไปขุมหนึ่งจะเรียกว่าเป็นอบายภูมิก็ได้นรกในเมืองคนได้เห็นมาแล้วเมื่อเช้านี้เองแต่พอมาตอนเย็นนี่มาอีก พบภูมิหนึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในที่นี้นะดีที่สุดต่างกันเลยนะไปสองแห่งอีกฝ่ายหนึ่งสูงอีกฝ่ายหนึ่งต่าฝ่ายที่ไปเมื่อเช้านี้เป็นฝ่ายที่ต้องบำบัดแก้ที่ปลายเหตุทำผิดแล้วจึงสำนึกฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่ จะรู้ว่าโรคภยัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาแล้วบางคนก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ถึงต้องเวียนเข้าเวียนออกอยู่เรื่อยออกจากเรือจนจาแล้วก็เข้ามาในเรือนจําเหมือนเดิมไปไม่รอดแต่ตอนเย็นมาที่นี่นี่ภพภูมนินี่เป็นฝ่ายป้องกันไม่ใช่ว่าป้องกันใ้เข้าไปในเรือนจานะไม่ใช่ป้องกันไม่ให้ใจนี่เป็นทุกข์นี่ฝ่ายป้องกัน ตามลักษณะของวงการแพทย์นี่ฝ่ายไหนที่ควรจะทําก่อนฝ่ายป้องกันใช่ไหมสำคัญกว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขป้องกันนี่มันยังไม่มีโอกาสเกิดแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันแก้ไขจริงมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อย่างผมเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องอย่างเงี้ยพิการไปตลอดชีวิตแต่ทําไมมีชุดยินยามาได้ยีปีอยู่ยังไง27ปี ที่จริงมันก็น่าจะตายมั้งแต่สี่ห้าปีแล้วอันนี้คือเหตุที่เกิดมาทุกวันเนี่ยตอนที่พิการใหม่ๆมันจะมีความทุกข์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจร่างกายไม่ต้องพูดถึงสภาว่าทุกข์ชัดเจนแต่จิตใจเนี่ยทุกข์มากกว่าร่างกายใจเป็นทุกข์มากกว่าบางครั้งเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยร่างกายมันก็อย่างพิการเหมือนเดิมนะ แต่ใจเราเนี่ยบางทีมันยังฝันฝันร้ายกลางวันก็คิดกลางคืนก็ฝันเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่นั้นไม่ใช่ที่ร่างกายมันที่จิตใจเป็นที่จิตใจถ้าเราไม่นึกถึงร่างกายเนี่ยเท่ากับเราไม่ได้เป็นคนพิการแต่จิตใจเรามันยังคิดปรุงแต่งเสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตถ้าคิดต่อไปเนี่ย ถึอนาคตเราต้องฆ่าตัวตายแน่คิดว่าถ้าเราคิดต่อไปเรื่อยจะต้องฆ่าตัวตายแน่เพราะว่าความหวังมันไม่มีแล้วคนเรานี่อยู่ได้ด้วยความหวังถ้าหมดความหวังมันก็ไม่มีความหมายความหวังเป็นเหมนความหมายของแต่ละคนนะและยิ่งหวังมากนี่ทุกมากหวังน้อยทุกน้อยถ้าไม่สร้างความหวังนี่ไม่ต้องเป็นทุกเลยพระังหันจึงไม่มีความหวังไปผู้ที่หมดหวังเพราะท่านไม่ได้หวังอะไรแต่เรายังเต็มไปด้วยความหวัง อายุ24นะความหวังยงเต็มที่แต่ผิดหวังนี่มันก็ต้องคิดมากตามธรรมดาโรคประจําตัวสมัยก่อนคือคิดมากจนนอนไม่หลับถ้าปล่อยความคิดเดินไปเรื่อยอย่างนี้เราต้องเราต้องเป็นโรคประสาทแน่นอนในเพราะความคิดมากแล้วคําถามมีมากมายคําถามที่หาคําตอบไม่ได้ด้วยพวกเรารู้จักไหมคําถามที่หาคําตอบไม่ได้ ทำไมจึงต้องเป็นเราเราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนั้นคาถามแบบนีนน้มันสว่างก็หาคำตอบไม่ได้ทำไมเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ชีวิตเราดีมาแล้วอย่างนี้นั่นหละเป็นความทุกข์เพราะความคิดมากแล้วคิดมากดีจิตใจมันก็เหน็ดเหนื่อยร่างกายก็ทุดโทรมเสียใจหงุดหงิด อยากร้องไห้บางทีอยากตายรู้แล้วรู้รอดไปเลยคิดบ่อยๆว่าให้ตายรู้รอดไปเลยคิดบ่อยเนี่ยมีโอกาสฆ่าตัวตายได้ไหมความคิดเนี่ยอันตรายนะคนเราเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์เพราะความคิดนะแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจแบบนี้จึงแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อาศัยความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมมตัวสําคัญเลยนะขันติบารมี ถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จแน่นอนความอดทนและก็ความเพียรช่วยในการปฏิบัติธรรมได้เพราก็คิดมออกว่าทำอย่างไรดีกับตัวเองดีนี่โชคดีที่ว่าเรานับถือาศาสนาพุทธและมีคุณพ่อคุณแม่ฝักใฝ่ในธรรมะท่านก็นเลยให้เรามาสนใจเรื่องธรรมะซึ่งเราอายุ24เนี่เรื่องธรรมะนี่ไม่เคยสนใจอย่างพวกเราเนี่ย รู้สึกว่าไม่ธรรมดาคนอวัยเนี่ยเขาไม่สนใจธรรมะหรอกเขาไม่มองเลยธรรมะเป็นธรรมะในเป็นเรื่องที่คลึกคะล้าสมัยสมัยโบราณนูน่นสองพกว่าปีอันนั้นก็ใช่2500กว่าปีเนี่ยเป็นธรรมะในแง่ถึงพุทธประวัติแต่เรื่องธรรมะี่เป็นเรื่องปัจจุบันเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องธรรมะอ่านสมมติวาต้องแอบอ่านก็เขาจะรู้ว่าเราสนใจธรรมะแล้วคนเราก็เหลือเกินนะ ไม่สนับสนุนแล้วยังบางทีแซวอ๋อนี่ไปไปฏิบัติธรรมล้ไปบวชซะไปไปบวชชีแล้วไปก <c oughs> ็อย่าไปโกรธเขาถือว่าให้อภัยก็าเขายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยหันมาสนใจธรรมะจากการอ่านเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยจึงเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยถ้าเราสนใจแล้วเนี่ยเราจะได้แง่คิดหลายๆมุมเพราะเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของความสุขเรื่องของความทุกข ทำให้เรารู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลธรรมะในศึกษาดีๆนะทำให้เราคิดเป็นเหตุเป็นผลจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเรื่องบางอย่างเราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจแต่พอไปอ่านเนี่ยมันซึ้งอ่านธรรมะฟังธรรมะก็เป็นประโยชน์ทำให้เราได้แง่คิดแต่ยังดับทุกข์ไม่ได้รู้แค่รู้จารู้จักพูดคุยกันได้ แล้วก็ทำคำตอบในระหว่างที่สอบได้ด้วยการพูดคุยการอ่านการฟังเนี่ยเท่ากับเป็นปัญญาในขั้นที่ว่าพูดคุยกันหรือว่าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยส่วนมากเราจำจำได้เราก็ไปไปทำคำตอบได้แค่นั้นดับทุกข์ไม่ได้จะสังเกตดูเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยมีความโกรธขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีใครๆก็รู้ แต่ทำไมเราจึงโกรธความโกรธไม่ดีนะตกนรกนะหน้าตาไม่ดีนะแก่เร็อายุสัน้นโรคไปกคเจ็บมากมายรู้อยู่แต่ทำไมเราจึงโกรธอยู่แสดงว่าแค่รู้จำรู้จักได้ยินในฟฝั่งนี้ยังแก้ปัญหาเราไม่ได้แก้ปัญหาได้บางเรื่องเป็นปัญญาในขั้นหนึ่งก็ผมอ่านมามากแล้วถ้ามันดับทุกได้เพราะการอ่านแล้วก็โอผมบรรลุเป็นอริยะเป็นนานแล้วอ่านไม่เยอะ เข้าใจเลยวอาออกข้อสอบม่นนี่ทำได้เลยแต่ใจยังเป็นทุกข์อยู่ยังหงุดหงิดยังอึดอัดคัดเคืองแสดงว่าดับทุกข์ไม่ได้ต้องเลื่อนระดับมาคิดอันนี้นเอาธรรมะมาคิดเลยอ๋อตัวเรานี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ตนป้วนปลายวางซะอ๋อคิดเหมือนจะบรรลุธรรมแต่เวลาเราไม่ได้คิดเนี่ยเวลามีอารมณ์มากระทบเนี่ยจิตใจหงุดหงิด บางครั้งมันเกิดความโกรธไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเราคิดเอานี่มันหายไหมมันหายไหมเวลาเราเกิดเราอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยอยางมือถือรุ่นใหม่เนี่ยโอ้รุ่ น, ร, นรุ่นใหม่มากถ่ายภาพได้มีกลิ่นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดให้มันหายอยากตรงนั้นได้ไหมบางครั้งมันก็ได้แต่ว่ากิเลสที่บางคนนี่รุนแรงมากไม่สามารถจะคิดเพื่อาชนะกิเลสที่เกิดจาก ความโกรธหรือความโลภได้เพราะนั้นแม้แต่คิดเปรตเป็นผลแล้วเรายังแก้ปัญหาตัวเราไม่ได้ทั้งหมดยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิงอันนี้ยังไม่ปฏิบัตินะแค่ฟังอันนี้ปัญญาขั้นตน้นต่อมาคิดนึกเอาปัญญาที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอย่างนักเรียนนักศึกษาในส่วนมากปัญญาในแแค่ในขั้นการคิดนึกจะเป็นส่วนมากก็เป็นประโยชน์ดับทุกข์ได้ในบางส่วน เขาเองนี่ฝึกทําสมาธิเลยนะคิดเอานี่มันก็ยังยังเป็นทุกข์อยู่เขาจะบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีมีการมองโลกอยู่สามแบบแบบหนึ่งคือมองโลกในแง่ร้ายพวกนี้นี่ทําร้ายตัวเองทําร้ายตัวเองทําให้เป็นทุกข์วิสัยสอนคือมองโลกในแง่ดีอันนี้ดีเนี่ยมองเห็นความดีของโลกซะ ถ้าเรามองเห็นความดีของโลกแล้วเนี่ยความเสียของโลกจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ส่วนดีแต่ยังเป็นความจริงไหมถูกต้องไหมมันถูกระดับส่วนหนึ่งของแง่ความคิดแต่ตามหลักธรรมเนี่ยต้องมองโลกในแง่ของความเป็นจริงมองโลกในแง่ของความเป็นจริงนี่จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเช่นร่างกายเนี่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายโอ้ถ้าบางคนใกล้ๆตายไปให้เขาทําอย่างนี้เขาเครียดมากเลย ม, มองโลกในแง่ดีก็ใช่แต่ว่ายังไม่ถูกต้องเราเรียนหนังสือเราสอบตกโอ้ไม่เป็นไรมองโลกในแง่ร้ายมันก็เป็นทุกข์เห็นไหมมองโลกในแง่ดีก็อสอบได้เป็นของตลกสอบตกเป็นของธรรมดาเรียนไปแล้วข่าตายมาแล้วก็ลืมหมดอะไรเงี้ยมองโลกนี้ไม่เป็นทุกข์นะแล้วเราก็ขี้เกียจต่อไปมันไม่ใช่มันต้องมองโลกในแง่ทง่ทำมาคือแง่ความจริงอ๋อเป็นเรื่องธรรมดานะสอบตกเนี่ย แล้วก็ต้องแก้ปัญหาแก้ไขนะแก้ไขต่อไปนะธรรมะเนี่ยเหนือถูกเหนือปิดเหนือดีเหนือช่วธรรมะเนี่ยมองโลในแง่ล้ายก็ไม่ใช่แง่ดีก็ไม่ถูกในแง่ของความเป็นจริงมีได้ก็ต้องมีตกธรรมดาไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นผมเองนี่ฝึกทำสมาธิเพื่อกดทับความคิดไม่ให้มันเป็นทุกข์สมัยก่อนกลัวมากคือเรื่องความคิด คิทีไรนี่ยมันทําให้เราทุกทุกทีก็เลยทําสมาธิฝึกเจริญสมาธิเป็นมากๆให้สมาธิม า, มากๆไว้เป็นการกดทับความคิดมันก็แก้ไขได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันเวลาทําสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเคยไหมพุทเข้าโทออกเป็นสมถกรรมฐานก็ช่วยได้แต่ว่ามันช่วยได้ไม่ตลอดเหมือนหินทับหญ้าสมาธิมันมีเวลา เราจะนั่งสมาธิทั้งวันก็ไม่ได้แล้วยิ่งผมสภาพติพิการอย่างเงี้ยมันทําได้ไม่นานแล้วแต่ว่าพอเกิดสมาธิแล้วสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือสมาธิมันก็กดทับความคิดไม่ให้มันคิดได้เหมือนกันจิตมันก็สบายอยู่ระยะหนึ่งแต่พอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ยังไปทุกข์เหมือนเดิมยังมีเรามป็นคู่พิการ ยังมีความพิการที่ตัวเราอยู่ยังออกจากความพิการไม่ได้สมาธิช่วยได้ระดับหนึ่งแต่มันดับทุกได้เถึงที่สุดเมื่อสมาธิไม่มีนี่ทุ ก, ก็เกิดขึ้นคิดเอาก็ยังดับทุกไม่ได้ได้ยินได้ฟังก็ไม่ได้ทำสมาธิก็ยังดับทุกไม่ได้ช่วคราวดับได้แค่ช่วล่าวจนหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโอเนี่ยท่านเป็นพระอุตัสนาาจารย์อยู่ที่วัดป่าสุกโต ที่ชยายาภูอำเภอแก้งคลอท่านแนะนําวิธีการเจริญสติเพื่อดับทุกข์ฝึกเจริญสติเพื่อดับทุกข์ติดต่อกับท่านทางจดหมายนี่นะมืออย่างเงี้ยเขียนจดหมายได้เ <c oughs> นี่ยเอาปากกาเหน็บก็นอนเขียนอยากจะมีครูบาอาจารย์สอนวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่แค่ฝึกด้วยตัวเองอย่างเดียวต้องมีครูบาอาจารย์ ถ้ากัแนะนำเขียนจดหมายตอบมาด้วยนะตอบจดหมายมาผมอยู่นครสวรรค์ท่านอยู่ชัยภูมิท่านตอบจดหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์เนี่ยง่ายๆ่ายง่ายๆ <c oughs> ไม่ต้องมาที่วัดหรอกนอนอยู่ที่บ้านผมก็เล่าถึงเรื่องการพิการว่าเรามีความพิการขนาดไหนบอกว่าเราไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้ แล้วก็นั่งรถเข็นนั่งได้ไม่นานเมื่อก่อนไม่แข็งแรงแบบเนี้ยนั่งได้ไม่นานนอนจะเป็นส่วนมากจะปฏิบัติทำอย่างไรให้มันพ้นทุกข์เลยท่านบอกว่าไม่เป็นไรลองจริญสติแบบเคลื่อนไหวจริญสติแบบเคลื่อนไหวเน้นเรื่องความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวท่านสอนให้นอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายให้รู้สึกนะพลิกมือคว่ำ ให้รู้สึกตัวนะพลิกมืองายให้รู้สึกพลิกมือความให้รู้สึกคือให้เราเคลื่อนไหวและให้มันรู้สึกตัวให้รู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวไปมาเน้นให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวถ้าบอกว่าไม่ต้องไปบังคับมันทำเล่นๆทาเล่นๆ <c oughs> น, น, นะ ให้มันรู้สึกตัวเรื่อยๆท่านเล่นอย่างนี้แหละไม่ต้องใช้ความคิดอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องมีคำบริกรรมให้รู้เฉยๆไม่ต้องใช้ความคิดโอ้มันดีมากเลยเราเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ถ้าบอกว่าให้รู้สึกตัวโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดมันไปคอระทางเลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉาเรื่องการทากรรมฐานเนี่ย ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องพิจารณาให้รู้สึกตัวรวล้วนแต่แรกสงสัยเอ๊ะทำไมเราไม่นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจในท่าที่นิ่งสง่างามแบบพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนไม่รู้จักอย่างนี้เราก็อยากจะทําอย่างนั้นให้มันสงบนิ่งดูแล้วมันสง่างามมาการเคลื่อนไหวนี่มันสมัยนี้เรียกวมันไม่ค่อยเก็ตเก็แตแม่ว่าหลไรผมไม่รู้นะเขาเก็ตมาผมก็เก็ตไปอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความคิดมากๆจะไปนั่งนิ่งๆเนี่ยบางทีมันยิ่งปรุงแต่งในความคิดนะเพราะอะไรเพราะสติมันไม่ทันสติมันไม่ทันกับความคิดปัญหาของการปฏิบัติคือคนที่มันคิดมากๆจะทำไงที่เอาชนะความคิดได้ถ้านั่งนิ่งเนี่ยบางทีมันยิ่งคิดหนักมันต้องมีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเนี่ยมีสติผูกกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้สติมันตื่นทำไม่ตื่นรู้ตื่นรู้พอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันจะสามารถตัดความคิดได้สองอย่างมันต่างกันถ้ามีสติความคิดไม่เกิดถ้ามีความคิดสติไม่เกิดแม้แต่จะคิดด้วยสติก็ตามแต่สติยังตามไม่ทันความคิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ต้องอาศัยความคิดเนี่ยจะไม่ค่อยพัฒนา มันจะเป็นการแก้คิดรู้ไม่ใช่สัมผัสรู้ด้วยสติผมนี่โรคมันรุนแรงโรคของความคิดรุนแรงถ้าไปนั่งหลับตานิ่งๆเนี่ยเป็นยาที่ไม่ทันกับโรคต้องใช้ฝึกสติกับการเคลื่อนไหวเอียว่าวที่เคลื่อนไหวนี่แหละถ้าปกสติให้ตื่นแล้วความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นผมเองนี่มีการเคลื่อนไหวแค่มือสมัยก่อนเนี่ยแค่มือกับศีรษะ ก็สายมือเนี่ยพิกมือรู้สึกตัวพิกมือรู้สึกตัวสติมันก็ตื่นรู้ตื่นรู้มันก็นำหน้าความคิดความคิดตามไม่ทันนมันเริ่มได้ผลของการปฏิบัติเป็นการจริตแบบเคลื่อนไหวในแนวหลวงพ่อเทียนอาศัยแนวหน่ยนะจริงผมไม่ยึดติดแนวแนวไหนก็ได้ที่ให้มีความรู้สึกตัวนำหน้าแนวไหนก็ได้ที่มีความรู้สึกตัวนำหน้า การปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่สุดคือต้องเริ่มต้นในความรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเริมเนื้อเริมตัวแล้วก็มันเข้านิพพานไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ถูกความคิดเอาไปกิน <c oughs> การ ส, สติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยให้สติมันตื่นสติเปรีเทอร์เหมือนแมวความคิดเปรีเทอร์เหมือนหนูสองอย่างเนี่ยแมวกับหนูเนี่ยเขาไม่มีทางทจะคู่กันได้ เมื่อแมวกับหนูจู๋จีกันไปแล้วก็โลกนี้ไม่เป็นโลกแล้วมีแมวหนูอยู่ไม่ได้มีหนูนแสดงว่าตรงนั้นต้องให้มีแมวเห็นต่างกันเลยความคิดเป็นเสมือนหนูสติเป็นเสมือนแมวบ้านเรามีหนูอยู่อย่าไปไล่หนูอย่าไปฆ่ามันเลี้ยงแมวไวเ้เถอะเลี้ยงแมวแล้วก็ทาหน้าที่ให้อาหารแมว <Yeah. S 2> เมื่อแมวมันโตล้วเนี่ยไม่อ้องมับอกว่าแมวท่านตัวไม่จับหนูไม่ต้องบอกมันเป็นอาชีพของเข้าอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ใช่ไหม <Yeah. S 2> เราให้อาหารแมวเถอะแมวที่ไม่จับหนูแล้วก็มีแต่แมวโดเรมอนตัวนั้นนะนะ <Yeah. S 2> เพราะนั้น <Yeah. S 2> กา ร, รปฏิบัติธรรมเนี่ยการฝึกให้มีสติมากๆเพื่อให้ไปรู้ทันความคิดไม่มีการห้ามอะไร ไม่มีการห้ามความคิดไม่มีการห้ามอารมณ์ต่างๆแต่ให้รู้จักอารมณ์หรือความคิดผมก็ใช้การเคลื่อนไหวแบบนี้ให้สติมันตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดแต่เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยปัญหามากคือความคิดกับความง่วงใช่ไหม <c oughs> อะไรหนักกว่ากัน <c oughs> อ่าง่วงก็ดีนะ ดีกว่าคิดง่วงยังหลับได้ถ้าคิดนี่เป็นโรคประสาทฆ่าตัวตายนะเอะถ้ามีง่วงมันจะไม่ค่อยมีคิดสังเกตไห ม, มคนไหนปฏิบัติธรรมแล้วมีความคิดมากอมีคิดก็ดีนะมันจะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะความง่วงถ้ามีคิดนี่จิตมันปรุงแต่งง่วงไม่เกิดขึ้นดีทั้งสองอย่างแต่ทิ้งที่เราผิดพลาดก็คือไปห้ามความคิด และก็ไม่อยากให้มันง่วงวางจิตใจไว้ผิดแล้วทั้งสองอย่างห้ามไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเวลามันคิดขึ้นมาอย่าห้ามมันยิ่งห้ามมันยิ่งคิดเหมือนกดลูกบอลลงไปในน้ำมันก็จะเด้งขึ้นมายิ่งห้ามยิ่งคิดไม่ต้องห้ามไม่ต้องไปทำอะไรความคิดให้รู้ว่ามันคิด ได้แล้วหนึ่งคะแนนของการปฏิบัติธรรมรู้ว่าคิดเนี่ยได้คะแนนแล้วแมวทาที่จับหนูแล้วแต่เราผิดเียว่าพอรู้มันคิดแล้วอยากให้มันดับไปมันจะดับเพราะเราอยากให้มันดับหรือยิ่งอยากให้มันดับมันยิ่งไม่ดับเห็นไหมยิ่งอยากจำกับลืมอยากลืมกับจาเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยแค่แค่รู้ว่ามันคิดวิธีการเอาชนะง่ายๆคืออย่าไปทำายความคิด ผมนอปฏิบัตินพลิกมือเนีเพราะมันคิดรู้มันคิดปั๊บแล้วเราก็วางมันซะกลับมาดูการเคลื่อนไหวให้มีสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวไว้จับหลักที่กายเคลื่อนไหวจิตอยู่กับกายเนี่ยมันปลอดภัยมันจะไม่ไปกับความคิดถ้าเราไม่สนใจความคิดอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยความคิดก็จะดับไปเองเห็นไมไม่ต้องไปทำอะไรเลยยิ่งไปทาตัวนั้นมันยิ่งคิดหนัก ทำเพียงหึงเดียวคือมีสติตามรู้กายเคลื่อนไหวตอนแรกก็งุนงิมากเอ๊เรารู้กายเคลื่อนไหวนี่มันไม่รู้จิตมันจะเกิดปัญญาตรงไหนรู้จิตนี่มันเทนะมันเป็นหลักการปฏิบัติที่ใครๆก็พูดกับรู้จิตดูจิตแต่เรามาดูกายเนี่ยเมื่อไหร่มันจะพัฒนาละทีอันนี้เป็นความคิดไหมมันไปความคิดอีกแล้ว ถูกกระคิดหลอกอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนชีวิตเรานี่มีกายกับจิตถ้าเริ่มดูความคิดดูจิตแล้วเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านเลยเพราะเรายังไม่มีหลักงการดูสติสตังก็ยังไม่เพียงพอจะต้องมาฝึกสติในการดูกายนานๆก่อนให้มันชานาญเวลามันคิดไปกลับมารู้กายเคลื่อนไหว มันคิดไปกลับมาดูกายเคลื่อนไหวอันนี้ในรูปแบบใช่ไหะนอกรูปแบบนี่มีมากมายผมเองนี่ทำในรูปแบบไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นคนที่ไล่สไตล์เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิมไม่ได้อาศัยฝึกแบบไม่มีรูปแบบนอนพลิกมือเล่นมืที่มันเหน็ดเหนื่อยมันเมื่อยก็นอนกระพริบตากระพริบตานี่ก็ฝึกสติทำความรู้สึกตัวได้นะ จับอยู่ที่การกระพริบตารู้สึกรู้สึกมันก็เกาะ อ, อยู่ที่กายได้มันก็ไม่คิดอะไรที่นอนยักคิ้วเล่นรู้สึกตัวตรงไหนที่มันจะเคลื่อนไหวได้เอามาใช้ประโยชน์ให้หมดเพราะความพิการของเรานี่มันมีบางส่วนที่มันจะใช้ได้มีส่วนที่มันพิการน้อยหรือไม่พิการก็มาใช้ฝึกสติให้มิสติก่อนที่การเคลื่อนไหวอ ย, อย่างี้ให้มันโครจร อ, อยู่ตัวเราเอง นอนบิดหน้าไปมาหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างให้มีสติก่อนที่กายเรื่อยๆเมื่อเกิดสิ่งมหัศจรรย์นในกายขอยงเราเนี่ยเรารู้หมดเลยว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นการสำรวจรู้กายรู้เรื่องของกายแล้วคนอย่างผมมีปัญหาเรื่องของกายมีมากควบคุมการขับถ่ายไม่ได้แต่ก่อนต้องใช้สายยางใช้สายยางใช้ท่อปัสสาวะไป แต่พอมีสติดูกายเรื่อยๆเนี่ยมันรู้เลยว่ามันจะปัสสาวะเวลาไหนอาการใดที่กายแสดงออกมาว่าจะปัสสาวะแล้วแล้วก็มีคอมฟอร์ตช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องใช้สายยางเพราะมีสติตามรู้กายเวลากายมันเปลี่ยนแปลมันจะมีอะไรสัญญาณเตือนภัยอาการอย่างเนี้ยเสลี่งยงใหญ่เนี่ยมันหดตัวอันนี้คืออาการปวดปัสสาวะ มีคนลุกชูชันเนี่ยการปวดปวจกะลเวลาขามันสั่นมากๆนี่มีมดกัดยุงกัดศึกษากายจะรู้ช่วยเหลือตัวกายตัวกายเราได้เนี่ยเป็นพยาบาลเป็นหมอช่วยเหลือตัวเองร่างกายเปรบเสมือนคนไข้สติสมัมปชัญญะเปรตเสมือนคุณหมอคุณพยาบาลดูแลคนไข้ดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเอง อันนี้เริ่มรับประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมได้การเจริญสติแลว้วแล้วเมื่อจิตอยู่กายบ่อยๆเนี่ยมันเกิดปัจจุบันแทนที่จะคิดไปตามอารมณ์ฟุง้งซ่านกลับมาดูกายเคลื่อนไหวอยู่กับปัจจุบันจิตมันก็เป็นปกติกลายเป็นผู้ดูกายไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นกายต่างกันนะผู้ดูกายกับเข้าไปเป็นกายกายต้องพิการ แต่ถ้าเราเข้าไปเป็นกายเนี่ยเราก็ต้องมีจิตใจที่พิการด้วยกับกายแต่พอเจริญสติแล้วมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วสติมันแยกออกมาเป็นแค่ผู้ดูกายที่มันพิการดูมันพิการแต่มไม่ได้เป็นผู้พิการมีความพิการแต่ไม่มีคนพิการอ่เป็นแค่ผู้ดูเห็นไหมแค่กายอย่างเดียวนะเกิดความชํานาญ ร่กายเวลามันมีอาการปวดเมื่อยซึ่งอาการปวดเมื่อยในมีน้อยมากขอบคุณความพิการที่มันไม่ค่อยเมื่อยพวกเรานี่เมื่อยไหมไม่เป็นไรนะต้องขอบคุณมันที่มันยังเมื่อยอยู่นะ <c oughs> ถ้าเมื่อยก็มีสติแล้วค่อยๆเปลี่ยนมีสติรู้ตัวแล้วเปลี่ยนยาปวดได้ไม่ผิดไม่บาปไม่ไปต้องนั่งให้เส้นมันเส้นเลือดมันขอดเลื่อนลมเดินไม่ดีมันทําร้ายกายนะ ไม่ใช่ดูแลกายนะทําร้ายกายไม่ได้ไปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมนี่คือต้องให้มันเป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติมีสติแล้วก็เปลี่ยนยาบทนะิะแค่นั้นเองพวกเองก็มีสติดูกายอย่างเงี้ยคอยช่วยเหลือแก้ไขมันเบสซอมันก็ไม่ค่อยเกิดไม่เกิดขึ้นพอรู้เวลาต้องเปลี่ยนเวลาไหนทําหน้าที่กับเขาแต่ไม่ต้องเป็นเขารักเขาแต่ไม่ต้องหลงเขา พอดูกายนา น, านาในจิตมันพัฒนาสติพัฒนาไปเห็นส่วนเอกของกายคือจิตที่มันซ่อนอยู่ในกายจิตยอยู่ในกายนะไม่ใช่ไหนจิตที่มันปรุงแต่งสภาพจิตเดิมๆนี่มันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันแค่รู้เฉยๆแต่มันเผลอสติก็จะต้องมีไอความคิดปรุงแต่ง เขาเรียกเป็นอาคารตุ ก, กะเป็นแขกย้อนมาสู่จิตใช่ไหมจิตปกตินี่บริสุทธิ์นะไม่โง่ไม่ฉลาดรู้เฉยแต่มันเผลอสติถูกความคิดที่เป็นความรักความจรงเข้ามาปรุงแต่งทาให้จิตเนี่ยเศร้าหมองมัวหมองพอมีสติแล้วมันรู้ทันตรงนี้ยมันรู้ทันในความคิดที่มันเพิ่งผ่านมาสติมันคลองจิตไว้ก่อน ส่วนความคิดเนี่ยเป็นแขกพึ่งมาที่หลังแขกจริงมาให้เราดูเท่านั้นเองเราเลยกลายเป็นผู้ดูความคิดที่มันกำลังคิดคลองจิตไปก่อ น, นยอย่างผมนั่งอยู่เนี่ยคลองไว้ก่อนแล้วแขกก็จะมานั่งซ้อนผมไม่ได้เพราะเรานั่งอยู่ก่อนแล้วจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติอยู่ก่อนแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ขากมาที่หลังเรายึดชัยภูไว้ก่อนแล้ว ความคิดที่เข้ามานั้นเป็นความคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีเราสามารถรู้ทันได้ว่าออไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้ไม่ดีเราสามารถรู้ทันได้เห็นไหมแค่มีสติ ด, ดูกายนะเราจะสามารถเห็นจิต ด, ด้วยดูกายเห็นจิต ด, ดูความคิดมันก็เห็นธรรมะนนัธรรมะคือความที่เป็นปกติธรรมดาเห็นจิตที่มันคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิด มาลุ้ตนตอนนี้อ๋อที่เราเป็นทุกข์มากๆนอนไม่หลับเพราะความคิดนี่เองคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เรารู้ไม่ทันเราเป็นแมวที่ยังไม่พัฒนารู้ไม่ทันหนูเราก็คิดตามไปเลยใช่ไหมคิดตามเรื่องราวที่มันคิดแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยคิดดีก็เหน็ดเหนื่อยนะคิดไม่ดียิ่งแล้วใหญ่เลยจิตไม่ปกติอันนี้คือเริ่มเริ่มเป็นทุกข์แล้ว คิดข้ามวันข้ามคืนโกรธข้ามวันข้ามคืนเคไมยอยากได้ข้ามวันข้ามคืนเคยไมยเดี๋ยววันนี้นึกขึ้นได้เดี๋ยววันนี้จะต้องไปอยากดูฟุตบอลทั้งคืนก็ินัรฟุตบอลก็สนุกร่างกายมันก็อยากนอนกิเลสก็ว่าสนุกแต่ว่าร่างกายก็อยากนอนตามลืมไม่ไม่ขึ้นแล้วก็อยากจะดูใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกิเลสในความอยากเขารุนแรงมากอันนี้ต้องยอมรับก็ แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยจะรู้ทันรู้ทันในความคิดที่มันมาปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการจะเอาชนะความคิดเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยให้เรามีความรู้ตัวไว้เสมอเสมอเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรและความคิดก็จะดับไปเองโดยธรรมชาติ เห็นไรู้เฉยๆความคิดเราจะดับไปเอาชนะได้แล้วจิตก็จะบริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตที่บริสุทธิ์ด้วยสติแล้วเนี่ยถ้าจะมีความคิดก็จะมีแต่ความคิดดีๆคิดที่เกื้อกูลคิดที่เป็นประโยชน์คิดแล้วจบได้มีความคิดสองอย่างที่เราจะพิจารณาคือความคิดแบบที่เราไม่ตั้งใจคิดกับความคิดที่เราตั้งใจคิด อยงชนเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยกำลังฟังเลคเชอร์ของครูอยู่อาจารย์อยู่เคยไหมคิดปรุงแต่งไปถึงบ้านถึงคนโน้นถึงกันนี้นั่นเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเราเป็นทุกข์เพราะความคิดแบบนี้นะความคิดอีกแบบหนึ่งคือความคิดที่เจตนาคิดตั้งใจคิดคิดด้วยสติคิดวางแผนอันนี้เป็นประโยชน์ แล้วก็เวลาหยุดคิดก็หยุดได้แล้วก็นอนหลับด้วยความคิดที่ไม่ตั้งจกคิดเนี่ยทำให้เรานอนไม่หลับตั้งคืนแล้วก็ชีวิตทุกวันเนี่ยเราใช้ความคิดแบบไหนมากเราคิดแบบตั้งใจก็มีนะไอ้แบบปรุงแต่งก็เยอะเพราะนั้นเราจึงไม่ปลอดภัยเรื่องแบบนี้ถ้าเรามีสติมีความรู้นู้ตัวเนี่ยความคิดแบบที่มันจอรมาจะไม่เกิดขึ้นเลยจะมีคิดแบบตั้งใจคิด ที่เป็นประโยชน์คิดแล้วไม่เป็นทุกข์แล้วก็หยุดได้จบไปเรื่องราวเหมือนหนังสือในชั้นห้องสมุดหยิบมาใช้แล้วก็วางเข้าที่เดิมเป็นระเบียบเรียบร้อยคิดแบบเป็นระเบียบคิดแบบไม่ทําลายตัวเองเขาเรียกว่าคิดเป็นคนคิดเป็นคือคนที่คิดแล้วไม่เป็นทุกข์คนคิดแล้วทําให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยคือคนที่คิดไม่เป็นเนี่ ย, ยการฝึกสติเอาถึงเื่อนา้นี่เลยนะ เพื่อจก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละมีสติรู้ตัวเสมอๆ เ, เอาไว้จัดเอาไว้รู้ทันในความคิดที่มันไม่ได้ปรุงแตง่งจงอังทั้งง่ายที่จะไม่คิดยากที่จะคิดแต่ถ้าคิดก็คิดได้คิดแล้วจบเลยแล้วก็หลับได้สบายๆรักษาโรคจิตโรคประสาทได้คนเราในมีกายกับจิตคนเรามีกายกับจิตร่างกายคือธรรมชาติที่ต้องมีโรคภัยแค่เจ็บที่ห้ามไม่ได้ จิตใจนั้นที่เป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความเห็นผิดความเห็นผิดทําให้เราเป็นทุกข์ได้เราให้ความสําคัญกับอะไรมากเรามักจะให้ความสำคัญร่างกายมากคิดว่าเมื่อร่างกายดีแล้วเดี๋ยวใจมันก็ดีเองจริงไหมเมื่อร่างกายดีแล้วใจมันก็ดีเองจริงหรือวันนี้เข้าไปพบภูมิของ ขุมนรกเนี่ยโอ้โหร่างกายแข็งแรงสักยันลายมังกรร่างกายแข็งแรงล่ามบึกเลยแต่จิตใจนี่โหดเขี้ยมทารุนอย่างเศร้าหมองอยเพราะฉะนั้นจิตใจสําคัญกว่าร่างกายชีวิตที่สมบูรณ์นั้นคือมีกายดีจิต ด, ดีแต่ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายจิตใจ ย, ย่อมสําคัญกว่าถ้าให้เลือกแล้วก็เลือกจิตใจไว้ก่อนถ้าดีทั้งสองอย่างก็ดีนะ แต่ถ้าจะเป็นต้องเลือกเลือดจิตใจไว้ก่อนเพราะร่างกายได้แม่งก็เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจิตใจดีแล้วเนี่ยร่างกายอยู่สภาพเช่นใดเนี่ยไม่สำคัญเลยเราสามารถหาความสุขได้เมื่อจิตใจดีคนแก่แก่พระหลวงตาหลวงปู่ท่านร่างกายดีสุดๆมากแต่ใจท่านดีท่านมีความสุขได้ใช่ไหมหนุ่มส า, าวนี่ร่างกายดีมากถ้าอกหักรักหายขึ้นมาเนี่ย มันก็หาความสุขไม่ได้ใช่ไหมเพราะใจไม่ดีนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการฝึกจิตใจโดยโตรงร่างกายเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เพราะใจดีแล้วเนี่ยกายก็ไม่ไปเบียดเบียนใครเมื่อใจดีแล้วเนี่ยศีลห้าก็ครบสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดเรียนหนังสือก็เก่งจำก็แม่นเพราะนั้นคนเราที่ชีวิตมีความทุกข์เพราะว่าไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจชีวิต เอาร่างกายดีไว้ก่อนแล้วก็สร้างความหวังมากมายแล้วก็ไม่ได้ ใ, ใจหวังแล้วก็เป็นทุกข์ฆ่าตัวตายนั้นถ้าเรามาสนใจเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเราเริ่มดีได้นังการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เริ่มจากการมารู้สึกตัวเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวลงท้ายด้วยการปล่อยวางทาหน้าที่แล้วก็ปล่อยวางก็จะมาชวนพวกเราลองฝึกสติดูสักหน่อย คืออยากจะให้อาจารย์กำพลช่วยชักชวนเพราะว่ามีเพื่อนบางคนที่เขา n ิวมากสำหรับเรื่องนี้ครับแล้วเขาคิดว่ามันเรื่องธรรมะเนี่ยไม่มันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วมันแบบ<ะ>ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้ครับเลยคิดว่าถ้าอาจารย์ช่วยชี้ว่ามันมีผล ดีผลเสียยังไงกับการที่ใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันกับการที่ไม่มีธรรมะในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องไปบอกประโยชน์ของธรรมาก่อนประโยชน์ของธรรมะนี่มีมากมายเลยเอาแค่ง่า ย, ายสุดจุดท้ายคือทำให้เรามีอะไรมีความรู้ตัวขึ้นมาคนที่ขาดธรรมะจะทำอะไรแบบไม่มีความรู้ตัวจะรู้จักกาลเทศะ และที่สุดก็คือดับทุกได้ในที่สุดชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราขาดธรรมะเนี่ยชีวิตมันจะผิดพลาดอยู่เรื่อยๆความผิดพลาดเพราะว่าเราขาดสติใช่ไหมผมอยากจะเน้นว่าธรรมะทั้งหมด8ป0 0 0พันธรรมะธรรมะขันมีมากมายเหมือนยาทั้งตู้รักษาโรคโน่นนี้มากมายแต่มียาอยู่ขนานหนึ่งดิบ อ, อมายชัยแล้วเนี่ยรักษาได้ทุกโรคไม่ต้องเสียเลยแม้แต่30สบาทใช่ไหม มียาขนาดเดียวคือสติสัมปัญญาเท่านั้นเองถ้ามีสติสัมปัญญาะเนี่ยคุณธรรมในจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นมากคุณธรรมนั้นวัดกันได้ด้วยสติอายชั่วกลัวบาปสติีจะบอกว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดคุณธรรมต่า ง, ต, างต่างนี่ความเมตตาการให้อภยัยความกระตันอยู่เนี่ยเกิดจากสติทั้งนั้นความอดทนก็เกิดจากสติความเพียรเกิดจากสติ ยาขนาดเดียวรักษาได้ทุกโลกไม่ต้องไปคล้องพระเครื่องที่ไหนหรอกคล้องพระสติเอาไว้ฝึกเอาไว้ยิ่งทำงานเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยถ้าขาดสติเนี่ยความผิดพลาดจึงเกิดมีขึ้นมากเคยเห็นไหมบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทำไปแล้วพูดไปแล้วกลับมาเสียใจทีหลังเราไม่น่าทำอย่างนั้นไปเลยไม่น่าพูดอย่างนั้นไปเลยเพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจ คนที่หลงลืมเพราะขาดสติสติก็ลว่ความระลึกได้ลืมกุญแจลืมปิดประตูรถลืมปิดประตูบ้านลืมปิดแก๊สเพราะขาดสติผมเองนี่เพราะขาดสตินะจึงต้องมารับเคราะกรรมต้องพิการตลรอดชีวิตมีสติแล้วมันจะไม่ประมาทเราประมาทขาดสติตึงมีร่างกายเป็นแบบนี้เห็นไหม ใช้ร่างกายเปลื่นเกินไปปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการขาดธรรมะขาดสติเนี่ยมีมากตอนนี้เอาแต่ละลายเนี่ยผมเคยได้ยินบ่อยๆ บ, บางทีเนี่ยอยู่ในครอบครัวหาความสุขไม่ได้เพราะว่าพ่อบ้านแม่บ้านไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะเนี่ยมันจะมีความเห็นตรงกันคิดเหมือนกันหมายถึงว่าคิดเป็นในแนวเดียวกัน แล้วก็การทำอะไรทาคล้ายๆกันอีกคนหนึ่งมีธรรมะอีกคนไม่มีธรรมะเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยยากมากแต่สามารถทาให้อยู่ด้วยกันได้คนที่ขาดธรรมะจะมองโลกไปแง่หนึง่งคนที่มีธรรมะเนี่ยจะหมุนจิตหมุนใจให้ตรงกับโลกโลกนี่มันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงมันบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติแต่ถ้าเรามีสติมีธรรมะเนี่ย เราจะเข้าใจถึงความไม่เทียงจะหมุนจิตหมุนใจให้ตรงกับความจริงให้ตรงความจริงเรื่องธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องสมัยอดีตการไม่ใชเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องธรรมะล้วนๆเรื่องชีวิตปัจจุบันนี่แหละการปฏิบัติทำเนี่ยไม่ได้มุ่งแค่สงบอย่างเดียวนะให้เน้นเอาด้วยความรู้ตัวสงบก็รู้ว่ามันสงบไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบ แค่มีรู้ตัวเดียวบางคนสงบแบบดิง่งแบบไม่รู้ตัวเลยอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าสงบแล้วมีความรู้ในความสงบด้วยเนี่ยจะเกิดปัญญามีความรู้ตัวเกิดขึ้นนั้นไม่เน้นเรื่องความสงบอาจจะมีความคิดและมีความรู้ตัวด้วยก็ใช้ได้แล้วและต่อไปมีความรู้ตัวมากๆเนี่ยความคิดก็จะหายไปถึงไม่หาย มันก็เดินกันไปคนละทางเราจะกลายเป็นผู้ดูความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิดท่านเป็นผู้ดูคนพิการแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นคนพิการปลอดภัยไหมเวลาท่านปวดท่านเมื่อยเมื่อก่อนนั้นท่านจะคิดว่าอ๋อ oh, นี่เราเปิดเราเมื่อยเราทุกข์แต่พอฝึกสติจเจริญมากๆแล้วเนี่ยจะเห็นเขาปวดเห็นเ้าเมื่อยเห็นเขาทุกข์เห็นเขาแก่ เห็นเขาตายไม่ใช่เป็นตัวเรามันหลุดลอดตรงเนี้ตนที่ไม่ได้เข้าไปเป็นเป็นเพียงแค่ผู้รู้เฉยๆคิดเอาก็ไม่ได้ต้องฝึกสติมากๆแล้วมันจะแค่เป็นเพียงแค่ผู้รู้ชีวิตจะปลอดภัยไม่มีการห้ามอะไรเกิดความรักได้แต่ว่าเป็นเพียงแค่ผู้เห็นในความรักเกิดความโกรธเกดิเกดได้ แต่ว่าไม่ได้เขาบเขตผู้โกรธเห็นมันโกรธทุกอย่างการทำหน้าที่เนี่ยทำได้หมดเลยโดยสมมติโดยหน้าที่เราต้องมีชีวิตอยู่สองอย่างคือทำหน้าที่ข้างนอกอย่างถูกต้องอย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาทำหน้าที่นักศึกษาไปเถอะนั่นคือหน้าที่ข้างนอกแต่อย่าลืมหน้าที่ข้างในคือทำใจเป็นปกติรักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ เพราะหน้าที่ที่เราทำสติจะทำหน้าที่แบบนี้นะดูแลใจไม่ต้องเป็นทุกข์รักษาใจเป็นปกติเสียงดังอากาศร้อนอากาศหนาวเป็นเรื่องธรรมชาติก็แก้ไขไปแต่สติรักษาใจเป็นปกติไม่ต้องเป็นทุกข์กับความร้อนความหนาวจิตจะเป็นปกติจิตที่เป็นปกติเนี่ยเป็นจิตที่ทำอะไรได้มากที่สุดเลยดีใจเกินไปเป็นทุกข์มเป็นทุกข์เหน็ดเหนื่อย ถ้าดีใจทั้งวันเนี่ยมีสิทธิเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแล้วเสียใจทั้งวันมีสิทธิค่าตัวตายได้เป็นโรคประสาทสุขภาพจิตเสียจิตที่เป็นปกติเนี่ยรักษาโรคประสาทได้มันจะเป็นความสุขแบบสงบเย็นนี่คือการปฏิบัติธรรมนะแล้วทั้งวันเนี่ยใช้ได้หมดเลยทำงานก็มีความรู้ตัวอยู่ในแดงงานของเราโอกาสผิดพลาดจะไม่ค่อยเกิดขึ้น คนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะอยู่กับงานแต่ใจไปปรุงแต่งเราจะได้อะไรจากงานนี้บ้าง <net> จะได้สีได้ขั้นได้วนัท ส, สวัสดิการหรือไม่ <net> เห็นไหมเลื่อนลอยไปนู่นท่านที่ทำงานเนี่ยมีความสุขอยู่การทำงานแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยแค่ทานข้าวเนี่ยเคยมีความสุขการทานข้าวไหมทานข้าวไปก็คิดถึงโครงการต่าง กินแต่โครงการไม่ได้กินข้าวเลยซื้อถั่วโขลกแก่มากินจนหมดกระป๋องแล้วไม่ล้วนมันทุกเม็ดตรงไหนเพราะใจไปปรุงแต่งสารพัดมันมันทุกเม็ดนะถั่วแต่ไม่รู้ความมันถั่วไม่มีความสุขการกิน <S 1> <S 1> <S 1> เพราะว่าไม่มีความรู้รตัวแปลงฟันเนี่ยมันมีความสุขนะเนี่ยเงือกเนี่ยกับแปลงกระทบกนันนมีความสุขมาก แต่เราแปลงฟันไม่เคยอยู่การแปลงฟันจิตใจเรื่องลอยไปไหนก็ไม่รู้การอาบน้ำน้ำที่กระทบตัวเนี่ยถ้าสัมผัสอย่างมีสติเนี่ยจะมีความสุขการอาบน้ำแต่เรารีบอาบเพื่อจะรีบไปข้างหน้าแล้วรีบไปข้างหน้ารีบไปเรื่อยๆเรามุ่งหาความสุขอยู่ข้างหน้าไม่เคยหาความสุขกับปัจจุบันเลยเราจึงไม่รู้จักการใช้ชีวิตที่มีความสุข เคล็ดลับการมีความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันให้ได้เราจะมีความสุขทุกจะไม่เกิดขึ้นเราแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าแก้ปัญหาได้ดีอาการเหลนี้ต้องมีสติก่อนมันจะควบคุมให้อยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับแดงงานของเราไม่หลงลืมมีสติแล้วไม่ลืมอันนี้ล่ะคือการปฏิบัติธรรมกับชีวิตประจำวันแล้วผลจะเป็นยังไงนั้น ถ้าต่อไปก็เหมือนอย่างโฆษณาชวนเชื่ออยากให้เราพิสูจน์อยากให้เราพิสูจน์เรื่อยๆเพราะนั้น <_ d ance> ดีแล้วลนะ่ะที่มีโอกาสมาสนใจธรรมะมาเป็นบัตธรรมะเนี่ยมีโอกาสดีแล้ว <_ d ance> ผมเองนี่ <_ d ance> ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาใช้ชีวิตที่พิการแบบนี้หรอก <_ d ance> ความฝ่ายฝันของผมนี่ไม่ใช่แบบนี้ <_ d ance> เพราะว่าความไม่แน่นอนของชีวิตไทยผมมาต้องใช้วิธีพิการนย่เป็นความไม่แน่นอน แล้วทุกวันนีโลกเราเนี่ยมีความแม่แน่นอนมากมายเหตุการณ์อะไรที่เราไม่เคยคาดฝันมันก็เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยคอยเจอกับปัญหาแบบ น, นี้เราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะถ้าเรามีสติมีปัญญาจะแก้ปัญหาได้ทันทีเลยไม่ต้องกลัวเลยเพราะนั้นฝึกไว้บ่อยๆฝึกบ่อยๆเราจะเอาตัวรอดได้อย่ารอให้พิการอย่างผม แล้วค่อยฝึกไม่ต้องลอนะไม่ต้องลอถ้าลอยเดี๋ยวมันเป็นจริงๆแล้วก็จะทำตรงนั้นไม่ได้เลยถ้าพิการเราจะแก้ปัญหาไม่ได้มันจะหมดกำลังใจมันจะท้อแท้ดีแล้วที่เรามีร่างกายเป็นปกติฝึกบ่อยๆและยิ่งเราเป็นนักศึกษามีความรู้เรียกว่าปัญญาชนผมเรียกว่าปัญญาชน ปัญญาชนเนี่ยคนที Daisy, ่มีปัญญาคนที่ฉลาดมีความรู้มากความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนะถ้าความรู้และขาดคุณธรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรเหมือนจะกับอีแล้งอีแล้งไหมอีแล้งมีบินสูงนะอีแล้งมีบินสูงแต่มันกินของอะไรกินของต่าคนที่มีความรู้มากๆควารู้สูงเนี่ย ถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็ไปทำอะไรแบบต่าๆเห็นแก่ตัวเอาเปรียบถ้ามีคุณธรรมเนี่ยมันจะเหมาะกับความรู้ที่สูงจะยกระดับจิตใจให้สูงจริงเข้าใจตรงนี้นะไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าอันนี้คือคุณธรรมการปฏิบัติธรรมถ้ามีสติแล้วก็มีคุณธรรมคุณธรรมนั่นวัดกันด้วยสติฝึกเอานะต้องฝึกเ อ, อ้ะมีอะไรถามหคือว่าผมอยากรู้ว่าเออ คนเราสามารถจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าครับถ้ายังจําเป็นจะต้องอคิดอยู่นะครับอดีมากดีมากการปฏิบัติธรรมนี่ยไม่ได้ห้ามความคิดไมได่ห้ามความคิดนะแต่ให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็รู้จักใช้ความคิดอย่างมีสติคนเราเนี่ยทาอะไรเนี่ยไม่ได้ทําด้วยสตินะทําด้วยอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์หรือความคิดเนี่ยนำหน้าเราเลย แล้วความคิดเนี่ยบางทีเมื่อคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเรามักจะเชื่อเชื่อความคิดทั้งสองอย่างความคิดไม่ด <contest> ีบางทีเราก็เชื่อแล้วก็ทําตามความคิดทั้งที่มันพาเราไม่ดีแล้วมันก็ต้องทําตามเพราะเราขาดสติความคิดดีนี่บางทีเราเชื่อมันเราก็เป็นทุกข์นะคิดดีเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถึงมันเป็นทุกข์นะคนที่เป็นทุกข์เพราะคิดดีเนี่ยมีมากอย่างเช่นเรารักใครก็ตาม เราปรารถนาดียา้ายเขาดีเราตักเตือนเขาแต่เขาไม่เชื่อเราเนี่ยเราเป็นทุกข์เลยเห็นไหมบางทีเราคิดอยากจะทําความดีแต่มันยังทําไม่ได้แต่เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นเราก็เป็นทุกข์เนี่ยพวกเองก็เคยเป็นมาก่อนนะโอ้การปฏิบัติธรรมนี่ดีมากเราต้องบวชเราต้องไปอยู่วัดต้องไปปฏิบัติธ ร, รต้องเทศต้องสอน แต่เราเป็นคบพิการโอ้โหเป็นทุกข์เพราะความคิดเราทำไม่ได้ที่เราคิดคิดดีนะแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเราก็เป็นทุกข์ศ<ม>าสนาพุทธจึงมีถึงสามระดับคือละความชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องแผ้วคือจิตที่อยู่เหนือดีเหนือชั่วดีทำแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นชั่วไม่ทา จิตจึงจะหลุดพ้นถ้าเรามีสติมีสมรชัญญะมีปัญญามากๆเนี่ยมันจะมีความคิดที่ดีๆคิดเกื้อกูลคิดเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดที่เป็นประโยชน์เพราะคิดด้วยสติที่กันกรองแต่ว่าการบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่คิดเอาจึงจะบรรลุธรรมต้องรู้ทันความคิดรู้จักใช้ความคิดและก็วางไม่แยกการ มีช้อนตักอาหารตักมาแล้วซดน้ำแกงแล้วเราก็วางซะจะตักก็จับมาตักซดน้าแกงแล้วก็วางซะแม่ตักแล้วซดแล้วถือไปอย่างเงี้ยคือการยึดมั่นถือมัน่นใช้แล้วก็วางจิตจะได้ว่างเอออาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเวลาคนเราคิดอยู่นะครับถ้าเรากาลังคิดอยู่เนี่ยสติมันก็จะไม่มีนะครับ แล้วอย่างนี้สติกับความคิดสามารถจะไปด้วยกันได้หรือครับได้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวปฏิบัตินะถ้าเรามีความรู้ตัวเนี่ยสติเกิดขึ้นเนี่ยความคิดจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเราเห็นว่ามีความคิดด้วยมีสติด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดดับเร็วมากเรารู้ไม่ทันจิตเนี่ยมารับอารมณ์ได้แค่หนึ่งเดียวมันคิดขึ้นมาก่อนสติจึงจะตามมาถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะไม่คิดอะไร ถ้าเราจะใช้ความคิดเรามีสติแล้วก็ใช้เอาสติเนี่ยจับความคิดมันใช้มันจะเกิดฟ้องกันไม่ได้มันจะเหลื่อมล้ากันตามรู้ความคิดเห็นไหมแปลว่ามันคิดขึ้นมาก่อนเราจรึงมีสติตามรู้มันมันจะเกิดไม่พร้อมกันเครื่องมันเกิดดับไวมากอาจารย์ครับคื อ, อ, อในฐานะนิสิตแพทย์นะครับจะสอบถามว่าอาจารย์ลอง ลำดับความรู้สึกหรือว่าการปรับตัวหลังจากที่อาจารย์พบว่าตัวเองต้องต้อ ง, องมีร่างกายพิการนี้รครับเผื่อว่าในวันหนึ่งจะได้ไปนแนะนําคนไข้ได้ว่าเขาจะควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีมากคําถามนี้จากประสบการณ์นะไม่ใช่ตำราจากอุปกรณ์ที่แท้จริงใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับตัวไม่ได้หรอกมันจะไม่ยอมรับในความพิการของเรา เมื่อเราประสบปัญหาเกิดความทุกข์ปับ๊บจิตใจมันจะต่อต้านเลยมันไม่ใช่มันไม่จริงมันจะไม่ยอมรับวันเวลามันจะรักษาแฝลใจได้เรื่องบางอย่างนี่มันจะรู้ได้ในปัจจุบันไม่ได้มันต้องอาศัยวันเวลาค่อยๆเรียนรู้ไปอาศัยเวลาในช่วงที่อาศัยเวลาเนี่ยต้องมีความอดทนไว้ก่อนให้เขาอดทนไว้ก่อนคนไข้แบบนี้เขาจะขาดกาลังใจ ให้กำลังใจเขาให้เขาฝึกให้เขาอดทนซะก่อนความอดทนแล้วก็ทนได้อดทนและทนได้เนี่ยมันจะเป็นธรมรมะที่ต่อเนื่องมันจะมีความคิดที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาคนที่ไม่อดทนเนี่ยมันจะคิดแบบไม่เป็นประโยชน์คิดสเปสะปะอดทนปั๊บมันจะเป็นคุณธรรมที่ทําให้เกิดความคิดที่เป็นประโยชน์ขึ้นมาพอคิดที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็เริ่มรู้จักวิธีการแก้ปัญหาตัวเอง นี่การแก้ปัญหาบางอย่างนี่ต้องอาศัยการปฏิบัติจะคิดแก้ปัญหาก็ไม่ได้บางทีรู้ทางแก้ว่าอันนี้ต้องปฏิบัติทำนะคุณนี่มีความทุกต้องปฏิบัติทำต้องเขาเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มฝึกสติคุณอยากจะพน้นจากทุกไหมอยากพน้นคุณลองมาเดินทางนี้สิราฝึกสติผมเองนี่มีทางสองทางให้เลือกทางหนึ่งคือไม่ปฏิบัติธรรม อันนี้ต้องเป็นทุกข์ไปจนตายอีกทางหนึ่งคือต้องปฏิบททัติธรรมมีโอกาสออกจากความทุกข์ได้เลือกสองทางใช่ไหมแล้วผมเลือกทางการปฏิบททัติธรรมมันก็พ้นออกมาจากความทุกข์ได้ระยะหนึง่งแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆให้เขาอดทนแล้วก็รู้จักคิดไปทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ลงมือปฏิบททัติธรรมฝึกสตินี่แหละเริ่มต้นในการฝึกสตินี่แหละ แล้วต่อไปมันจะเริ่มรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เข้าใจตัวเองพอปฏิบัติธรรมแล้วมันเข้าใจตัวเองทุกมันก็ค่อยๆคลายแล้วอะไรมันก็ดีขึ้นเองอาศัยเวลาวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ช่วยจิตใจมาปรับสภาพก็เลยชินชากับความทุกข์เป็นเพื่อนกันในเป็นธรรมชาติของตัวเราคือความทุกข์แล้วพอรู้ทันในความทุกข์รับใจมันก็เป็นสุขต่างกันนะ คนเรามักจะมองว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องทุกอ น, น, นกาถทุกนิรันดร์ทุกแต่เปล่าแล้วศา ส, สนาพุทธสอนเรื่องความทุกข์และก็บอกวิธีการแก้ไขความทุกข์ได้ด้วยบอกทางออกนี้เลยโดยการปฏิบัติทำพอความทุกข์หมดไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขสุขแบบไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องดูบอลก็สนุกได้ไม่ต้องดูหนังตลกก็ยิ้มในใจได้ตลกไม่ต้องมาหลอกเราเรายิ้มด้วยตัว เ, เองโดยไม่ต้องอาศัยตลกให้เรายิ้มใช่ไหม นี่คือความมั่นใจในตัวเองยาวเลย <c oughs> คนไข้เขาจะขากําลังใจให้กําลังใจก็ให้กําลังใจแล้วถึงจะให้ยาก็ถ้าขากําลังใจในยาเขาไม่ทาหรกอกยาค่ะอาจารย์ว่าถ้าจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยค่ะเราจะสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าคะ่ะหรือว่าต้องมีเวลาสําหรับการปฏิบัติโดยเฉพาะอ ะ, อะไรเงี้ยค่ะ เราจะเอาขนาดไหนการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาขนาดไหนท่านอาจารย์ผู้ท่านบอกจะบ้ามา ห, หรือบ้า น, น้อยแค่ไหนทำไมอย่างนั้นนะจานวนท่านการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่ามองว่าต้องนั่งหลับตาอันนั้นแค่รูปแบบอย่ามองว่าต้องเป็นที่วัดต้องบวชอันนั้นเพียงรูปแบบเป็นเพียงสิ่งที่เกื้อกูลให้เราปฏิบัติธรรมถ้าต้องการปฏิบัติธรรมค้นทุกโดยสิ้นเชิง ก็ต้องอาศัยรูปแบบต้องไปบวชต้องละจากบ้านเรือนเพื่อทำที่จุดแห่งทุกอย่างเดียวจะเดินทางได้ไวมากอันนั้นคือธรรมชาติของคนที่จะดับทุกอย่างนั้นนะแต่อย่างเรานี่ไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นต้องเรียนหนังสือต้องทำงานแล้วก็ไปในแบบทำในที่ทำงานก็ได้อาจจะช้าหน่อยเพราะเราต้องมีภาระอาจจะช้าหน่อยแต่เราก็ทาได้ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการฝึกที่จิตใจถ้าไปบวชแล้วใจยังฟุ้งซ่านสู้เป็นโยมแล้วนั่งทําสมาธิดีกว่าใช่ไหมทำงานที่ใจสมานที่ใจก่อนทีนี้ทางานที่ว่าการฝึกนั้นต้องมีความรู้สึกตัวการมีความรู้ตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วในรูปแบบนี้ก็ได้ที่เราทําอย่างนี้ส่วนการปลีกตัวไปนั้นเป็นบางโอกาสเมื่อเรามีโอกาส ถ้าทําได้ก็ดีถ้าเป็นการอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองมีโอกาสปรับตัวได้ก็ดีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าไม่มีโอกาส ก, าก็ไม่เป็นไรทําอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะอยู่ที่บ้านนี่ไอหนีก็ของเราไอนายก็ของเราไอนัานก็ต้องทำไอหนีต้องทำํำทีวีก็ต้องดูอยู่ที่วัดไม่มีอะไรเลยไม่มีของเราไม่มีทีวีมันก็ย่อมจะสะดวกกว่า แต่นื่องจากว่าเราปลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อยู่ที่บ้านนี่แหละควบคุมตัวเองบังคับตัวเองซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตัวเองคบกับกะะาลยาณมิตรก็จะช่วยในการปฏิบัติธรรมได้เพราะนั้นที่ชีวิตจําวันก็ทําได้อาจจะช้าตั้นหน่อยหมายความว่ายัางไงก็ต้องหาเวลาเช่นในตอนเย็นหรือว่าเราสามารถแบบตอนกินข้าวหรือว่าตอนทานออํางานประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจ ได้แต่ละวันใช่ไหม <c oughs> เรามีเวลาว่างเวลาไหนตื่นเช้ามาก็ทาํามัดสวดมนต์แล้วก็นั่งเจริญสติเดินจงกรมเอาช่วงเวลาของเราเรามีเวลาแค่ไหนก็ทําทได้แค่นั้นและในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะมานั่งหลับตาอย่างเดียวนั่งยกมือเดินจงกร ม, มเดียวไม่ได้เราต้องทำอย่าง ท, ที่อย่างอื่นด้วยแล้วก็เติมสติลงไปเลยเติมสติลงไปเลยในการทานข้าวก็รู้สึกตัว ทำงานก็รู้สึกตัวแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้ทำอะไรก็ตามให้มีความรู้ตัวติดตัวเข้าไปด้วยใชอมั้ยอย่างนี้ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้อาจจะทำไม่สะดวกรู้ได้แค่ไหนก็อาแค่นั้นท่านนึกขึ้นได้ก็รู้ตัวทันทีนึกไม่ได้ก่อนแล้วไปนึกได้ก็รู้ตัวทันทีแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้ตัวทีขึ้นทีขึ้น ทำได้ไหมได้น้อยก็ได้ทำดีกว่าเราไม่คิดทำเลยใช่ไหมนิดหนึ่งก็ยังดีอย่างง่ายๆเนี่ยทุกคนเรานั่งเอานิ้วชี้กับนิ้วหัวมือถูกันเบาๆรู้สึกตัวได้ไหมนิ้วชี้นิ้วหัวมือถูกันเบาๆนั่งฟังประชุมเนี่ยเราฟังด้วยเรารู้ตัวด้วยเห็นไได้ปฏิบัติทำได้แล้วเบื่อหน้าคนข้างๆมันพูดมาก เราไปห้ามเขาพูดเนี่ยได้ไหมเราไปก้าวกายสิทธิเขานะเชิญเขาพูดไปแล้วก็มารู้สึกตัวการถูนี่มือเป็นการปฏิบททัติธรรมบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุ่นโลกไม่คำทำไม่เสียรู้สึกตัวด้วยเขาพูดเขาพูดไปรู้สึกตัวเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาหยุดเองเขาไม่หยุดเรื่องเขาแต่เรารู้สึกตัวได้สติด้วยเห็น ไ, ไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมล้วนๆในแต่ละวันเนี่ยถูนี่มือเล่นๆเนี่ยมีสติ ทรรมารจะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะเห็นอารมณ์ของเราเห็นกิเลสเราเห็นจิตเห็นใจเรามันเห็นใจเราไปเองและต่อไปเราจะเห็นใจคนข้างๆเรารู้จักตัวเราแล้วจะรู้จักคนอื่นได้ด้วยเรียนรู้คนอื่นจากชีวิตของเรา <c oughs> ได้นะทำแล้วก็ตามให้มีความรู้ตัวไปเรื่อยๆไปการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจวันตเติมสติลงไปเสมอเสมอ คนที่มีสตินี่ไปเดินห้างก็ไม่ค่อยเสียสตางค์นะไอหนุ่มก็อยากได้ไอนี่ก็อยากได้ไไดถ้าขาดสติต้องซื้อทันทีเลยซื้อมาแล้วเก็บไว้ที่บ้านมากมายถ้ามีสติโอ้ยนี่เรามีแล้วเนี่ยมือถือรุ่นใหมน่นี่เอาไว้เข่าหน้ารุ่นใหม่ก็มีเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็มีรุ่นใหม่เรื่อยๆรอรุ่นที่มันใหม่ที่สุด <c oughs> ไม่เสียสตางค์นะและไม่ล้าสมัย โทรศัพท์รุ่นใหม่รถคันรุ่นใหม่ๆเนี่ยยังไม่ดีเท่ากับมีสติรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้มันใหม่กว่านะเห็นความคิดอ๋อนี่มันคิดปั๊บควคิดก็ดับไปอันนี้ใหม่กว่าสดๆเลยรถรุ่นใหม่นี่มันสร้างมาตั้งนานแล้วมันทก่งใหม่ที่เราเห็นหรอกแต่สติที่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ใหม่กว่านี่แหละคือชีวิตที่ใหม่ใหม่เสมอนะใหม่อยู่ทุกวันด้วย ถ้เราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เนี่ยไม่ต้องรอปีใหม่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้ชีวิตมันใหม่เสมอสมอ <Okay. S 1> ปัจจุบันนี่แหละคือชีวิตที่ใหม่ถูกปหะ <laughs> ชีวิตปัจจุบันเนี่ยคือใหม่ที่สุดเลยล่าสุดเลยไม่ล่าสมัยการปฏิวัติธรรมจึงไม่ล่าสมัยเป็นคนใหม่เสมอคำว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงกับตนเองนั้นอันนี้สาคัญนะ เรารักเราเคารพตัวเองต้องซื่อสัตย์ตรงตเช่นว่าเอาละเราจะตื่นนอนมาเนี่ยเราจะสวดมนต์ทุกวันก็ทําำได้ทุกวันนีอันนี้ซื่อสัตว์แล้วเราจะถือศีลห้าเป็นนิสศีลห้าเนี่ดีนะคนกับสัตว์เนี่ยต่างกันที่มีศีล น, นะการกิน <c oughs> การนอนการเสพกามการกลัวภัย คนกับสัตว์มีเสมอกันเลยถูกหกินนอนเสพกามกลัวภยัยสัตว์ก็ไปอย่างนั้นคนก็ไปอย่างนั้นแต่ถ้าคนมีศีลห้าไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในการไม่โกหกและก็ไม่ดื่มสุรานี่แหละเหนือจากสัตว์เดรัจฉานเราตั้งใจว่าจะถือศีลห้าเป็นนิดเพื่อความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ย ก็ต้องทำให้ตลอดศีลคือความเป็นปกติศีลคือเจตนาถ้าเราผิดศีลโดยไม่เจตนาไม่ถือว่าผิดศีลแต่อย่ากแกล้งนะ <c oughs> แกล้งว่าเราไม่เจตนาบีา้บไปได้ตัวหนึ่งเราไม่เจตนาไม่เจตนาข้าแต่บี้ไปแล้วเนี่ยนอ้ทัวไม่ซื่อสัดซื้อตรงกับตนเองยากไม่ศีลห้านี่ไม่ยากหรอกนะ เพราะามันเป็นปกตินะศีลแปลว่าปกติปกติเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ปกติต้องไม่ลักทรัพย์ปกติต้องไม่ผิ ด, ผดในกรรมปกติต้องไม่พูดโกหกหลอกลวงเขาปกติต้องไม่ดื่นสุราเราเกิดมาพราะกับแก้วสุราหรือเปล่าเกิดมาพราะกับบุหรี่หรือเปล่าศีลว่าปกติของคนถ้าเราถือศีลไม่ได้เราผิดปกตินะ ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคือตัวเนี้เราจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งต้องทําไม่ได้ให้สัญญาตัวเองอย่างเช่นว่าเราวันนี้ละเราจะไม่โกรธสมมติเราจะไม่โกรธเผลอโกรธไปอ๋อนี่เราโกรธแล้วนะไม่เป็นไรต่อไปเราจะไม่โกรธอย่าไปลงโทษทําไมเราจะไม่ น, าน่นานอย่าไปอย่าไปลงโทษสํารวมนะต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีก ไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันจะช่วยเราซึ้งศักด์ซึ้งตนของตัวเองได้วันนี้เราโกรธแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่โกรธถ้าวันนี้โกรธสองครั้งมะลืนก็จะไม่โกรธอีกมันช่วยทําให้จิตใจเราเนี่ยมันสดชื่นได้เดบิกบานได้ผู้เจา้าบอกว่าฆ่าความโกรธจะได้อยู่ชีวิตจะอยู่เป็นสุขเมื่อมันยังฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็ให้มโกรธไปแต่อย่าทําตามความโกรธกิเลสเราห้ามไม่ได้หรอกความโลภความโกรธ เ, เรื่องธรรมดาแต่เราไม่ทําตามมันเนี่ยผมว่าง่ายกว่า <c oughs> ไม่ต้องห้ามแต่เราไม่ทําตามนี่คือการปฏิบัติธรรมนะรู้แล้วไม่ทําตามง่ายกว่านะดีกว่าห้ามไม่ให้โกรธเนี่ยโหยากมากเล ย, ยก็ให้มัโกรธไปเถอะโกรธมากๆดี แต่เราจะไม่ทําตามมันทุกครั้งที่มันโกรธอันนี้คือทางรอดเขาได้ยินคําคํำนี้ไหมคําว่าสันโดษกับสมาธิสันโดษนี่คือพอใจตามมีตามได้สมาธิคือใจิตใจที่สงบนิ่งหนึ่งสมาธิขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็เห็นนะถ้าเราทําสมาธิมากๆเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยมันหนักแน่นมากเพราะสมาธิเนี่ยมันรวมตัวงได้ง่เวลาโกรธแล้วเนี่ย ถ้าว่าขาดสมาธิเนี่ยมันจะโกรธมากเลยมันจะเป็นหนึ่งกับความโกรธสมาธิคือความเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งถ้าเราโกรธบ่อยๆเนี่ยถ้าเราขาดสมาธิเนี่ยมันจะโกรธเป็นหนึ่งเดียวโกรธหนักแน่นมากมันจะเหมือนแสงไฟฉายที่พุ่งตรงเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวการรับรู้มันโกรธคือสติรู้ว่าโกรธคือสติไม่ต้องแก่อะไร ไม่ต้องมาทำํำลายความโกรธให้รู้มันโกรธซะอย่าเข้าไปเป็นผู้โกรธเป็นผู้เห็นมันโกรธการปฏิบัติเนี่ยในขั้นต้นเรียกว่าสมรติให้แผ่เมตตาเมื่อโกรธก็แผ่เมตตาอ๋อจมิดสุขไปสูเ่เตือนหรือนัดหนึ่งถึงสิบหรือหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้มันแก้ความโกรธได้หายใจเข้ารู้เราโกรธใค่เข้าตามเนี่ยอย่าไปนึกถึงคนที่เราโกรธ ถ้านึกถึงคนที่เราโกรธเนี่ยมันจะโกรธหนักนึกถึงข้างนอกมันปรุงแต่งอยู่ข้างในดูใจว่าอ๋อนี่มันโกรธแล้วเนี่ยดูคนมีสติเนี่ยความโกรธก็จะดับวับเลยถ้าคนสติยังไม่เพียงพอแก้ปัญหาโดยการหายใจเข้าลึกๆรู้สึกตัวกับการหายใจแค่อยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายหายใจเข้าลึกๆถูนี้มือเล่นๆอย่าไปสนใจกับอารมณ์โกรธอยู่ที่การเคลื่อนไหวลมหายใจเข้า เข้าก็รู้ออกก็รู้หายใจเขา้าออกยาวยาวสองสามครั้งความโกรธก็จะหายไปถ้าไปบังคับให้มันโกรธมันยิ่งโกรธหนักถ้าไปดูคู่เลยยิ่งโกรธหนักอย่าไปสนใจมันดูการหายใจเข้าหายใจออกจนกว่าสติมันจะเต็มรอบความโกรธมาเราดูความโกรธเขาโก็ก็ดับไปเลยดับต่อหน้าต่อตา ต, ต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ถ้าฝึกแล้วดูความโกรธยังไม่แหยโกรธเนตระวังให้ดีนะ มันจะดูดแล้วเข้าไปล้วความโกรธก็จะเป็นผู้กฝึกสติมากๆฝึกสติมากๆเว้แต่และ ว, วันเนี่ยให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆอยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานของเราเนี่ยพอสติมากขึ้นเนี่ยความโกรธมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ผู้เห็นความโกรธจะไม่เคยเป็นผู้โกรธวิธีการเอาชนะความคิดอารมณ์ต่างๆนั้นให้รู้ทันมันอย่าไปตามอย่าไปห้าม และอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้ดูมันไว้จะดูด้วยนั้นต้องฝึกสติมากๆจริงจะดูได้ถ้าสติน้อยเนี่ยยังดูไม่ได้หรอกดูปไปมันดูดเข้าไปที่